ทุกรายแรกของช่วงบ่ายเป็นสตรีสาวสวยซึ่งมาด้วยกันสามคนคนที่มีท่าทางเป็นผู้นำรายงานว่าพวกหนูมาจากวิทยาลัยครูค่ะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นั่นหลอนออกชื่อวิทยาลัยครูแห่งหนึ่งอ๋อเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงมองหน้าหล่อนทีละคนแล้วถามชื่ออะไรกันบ้างละ่ะอาจารย์อะไรจ๊ะ หนูชื่อยุพาพรคนซ้ายมือชื่ออาจารย์กุลนทีส่วนคนขวามือชื่ออาจารย์กวิศยาคนนี้เพิ่งบรรจุ ค, ค่ะคนเป็นผู้นำพูดเสียงดังฟังชัดแล้วรู้จักวัดนี้ได้ยังไงทำไมถึงมาถูกละจ๊ะคุณแม่หนูเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อค่ะเคยมาเข้ากรรมฐานหลายครั้งคุณแม่เป็นคนบอกทางให้ค่ะ ลูกสาวของลูกสิ์ท่านพระครูตอบอย่างงั้นหรอกหรือคุณแม่ชื่ออะไรละจ๊ะชื่อสะอาดค่ะหลวงพ่อจำได้หรือเปล่าคะคุณแม่หนูสวยผิวขาวไม่ดำอย่างหนูหรอกค่ะคนชื่อกวิศยาพูดเสียงแจ๋วแล้วทำไมอาจารย์ถึงไม่ขาวเหมือนคุณแม่ละ่ะหรือว่าคุณพ่อผิวคล้ำ ทนเลี้ยงมาใช้คำว่าคล้ำแทนดำคุณพ่อก็ขาวค่ะพี่น้องสามคนก็ผิวขาวหมดมีหนูดำอยู่คนเดียวเพราะตอนหนูอยู่ในท้องคุณแม่คุณพ่อได้ไปติเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อนายละติเขาได้ทุกวันว่าแต่คนนี้ยิ้มเห็นแต่ฟันหนูออกมาเลยดำเหมือนตาละค่ะคุณแม่โกรธคุณพ่อมากเลยทําไมคุณพ่อว่าคนอื่นแล้วกรรมต้องมาตกที่หนูด้วยละ่ะคะ ลอนถามเขาเรียกว่ากรรมจัดสรรคนโบราณเขาถึงได้สอนเอาไว้ว่าเวลาท้องอย่าเที่ยวไปติใครเหมือนคนที่อาตมารู้จักแกไปติลูกของเพื่อนบ้านว่าปากแหวงพอแก่คลอดออกมาโอ้โหปากแหวงเหมือนลูกของเพื่อนบ้านเปียบเลย ถ้าอย่างนั้นเวลากำลังท้องต้องชมว่าเขาสวยใช่ไหมคะอาจารย์สาววัย21บวก2เรียนถามก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่ใช่หลับหูหลับตาชมนะเดี๋ยวไปเห็นคนปากแหว่งตาเลแล้วไปชมว่าเขาสวยลูกออกมาก็เลยสวยอย่างนั้นบ้างคำพูดของท่าน เรียกเสียงหัวเราะจากคนทั้งกุฏิอ้าวนี่พูดจริงๆนะอย่าทำเป็นหัวเราะจริงค่ะหลวงพ่อหนูก็เคยเห็นมาแล้วที่หน้าวิเทลาลหนูมีสามีพัญญาคู่หนึ่งอาชีพขายฐานตัวดำทั้งคู่แต่ลูกสาวแกสวยมากผิวขาวอย่างกับหยวกคนเข้าสงสัยก็พากันไปถามแกแกก็เล่าให้ฟังว่าตอนแกตั้งท้อง แกเอารูปนางงามมาติดไว้ข้างฟ้าแล้วก็ดูทุกวันวลนสี่เวลาหลังอาหารและก่อนนอนพอลูกแกออกมาก็เลยหน้าตาเหมือนนางงามในรูปเมื่องานฤดูหนาวที่ผ่านมาเขามีงานประกวดนางงามประจําจังหวัดลูกสาวแกได้ที่หนึ่งค่ะอาจารย์กุณทีเป็นคนเล่าท่านเจ้าของกุฏิดึงสรุปให้ญาติโยมฟังว่าที่พูดมานี่ ไม่ใช่เรื่องเล็วไหลไร้สาระนะญาติโยมโปรดจำไว้กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมนั้นมีผลมีวิบากกดแห่งกรรมทำหน้าที่ของมันตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันจะปรากฏให้เห็นเร็วหรือช้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครกลัวทุก์ จงทําจงพูดจงคิดแต่ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเอาละแล้วอาจารย์ทั้งสามท่านมีอะไรจะให้อัตมาช่วยหรือเปล่าท่านเปิดโอกาสให้สตรีทั้งสามอาจารย์กวิศยาเขามีปัญหาคลุ่งพ่ออาจารย์ยุพาพรช่วยเกื้นนให้ว่าไปเลยจ้ะ อาจารย์ว่าไปเลยท่านเจ้าของกุฏิกล่าวอนุญาตให้พี่กุนนาทีเล่าดีกว่าค่ะเพราะเขาเป็นคนทำให้ปัญหาเกิดขึ้นคนมีปัญหาเกี่ยงเพื่อนไม่ต้องเกี่ยงกันเอาละ่ะอาตมาจะเป็นคนตัดสินให้เองในฐานะที่อาจารย์ยุพาพรไม่ใช่คู่กรณี อาจารย์ลองเล่าไปตามความเป็นจริงก็แล้วกันเมื่อท่านพูดมาอย่างนี้อาจารย์สาวจึงจำต้องเล่าเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะลุงพ่ออาจารย์กวิศยาเข้ามาอยู่บ้านเดียวกับหนูเพราะยังไม่ได้บ้านบ้านพังอาจารย์มีจำกัดค่ะคนที่บรรจุใหม่จึงต้องรอหากมีการโยกย้ายหรือมีการแต่งงานระหว่างอาจารย์ด้วยกันคู่แต่งงาน ต้องย้ายมาอยู่บ้านหลังเดียวกันก็จะมีบ้านว่างหนึ่งหลังทางวิทยาลัยก็จะจัดการว่าใครควรจะได้บ้านก่อนใครระหว่างที่รอบ้านหนูจึงชวนเข้ามาอยู่ด้วยก็อยู่กันสบายๆไม่มีปัญหาอะไรมาเมื่อสองวันก่อนอาจา ร, รย์กวิศยาเขาอยากกินมะม่วงน้ําปลาหวานเขาก็โขลกกุ้งแห้งเป็นการใหญ่และจะเป็นเพราะเขาหิวมากหรือเขาแรงมากก็ไม่ทราบ คุณเธอโคลกซิครกบ้านหนูแตกออกเป็นสองกระบิบเลยค่ะหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรแตกก็ซื้อใหม่ได้ที่ตลาดมีเป็นพเพอกเกวียนเขาก็บอกจะไปซื้อมาใช้พอดีอาจารย์กุลนาทีมาเห็นเข้าเธอตกใจใหญ่บอกว่าคนทางบ้านเธอเขาถือกันมากใครตำน้ำพริกจนครกแตกแสดงว่าคนคนนั้นกำลังมีเคราะห์จะต้องสะเดาะเคราะห์ ด้วยการอุ้มครกที่แตกนั้นวิ่งรอบบ้านเจ็ดรอบอาจารย์สาวพูดสิ่งดังฝังชัดออทางบ้านอาจารย์คนเขาถือกันอย่างนี้รืท่านถามอาจารย์กุนนทีค่ะแล้วอาจารย์เชื่อเขาหรือเปล่าท่านถามคนทำครกแตกเชื่อเหมือนกันคะ่ะหลวงพ่อก็อยากจะสะเดาะเคราะห์อย่างที่เขาว่า แต่หนูไม่กล้าทำไมถึงไม่กล้าละ่ะอาจารย์ยุพาพรตอบแทนว่าเพราะไม่ได้อุ้มครกวิ่งอย่างเดียวค่ะแต่ต้องต้องต้องอะไรพูดไปเลยอาตมากำลังฟังอยู่ท่องเปลือยกายวิ่งด้วยค่ะคนเล่าเอามือปิดปากหัวเราะกิกๆคนฟังพากันหัวเราะครืนโอ้โห ถึงขนาดนั้นเชียวหรือท่านเจ้าของกุฏิถามเจ้าของปัญหาจึงว่านี่แหละค่ะคือปัญหาของหนูหลวงพ่อชื่วหนูด้วยนะคะคนมีเคราะห์อ้อนวอนท่านพระครูสายหน้าช้าช้าและวิจารณ์ซึ่งซึ่งหน้าอาตมาฟังแล้วไม่รู้จะร้องเพลงอะไรดีเป็นพระร้องเพลงได้หรือคะ อาจารย์กุลนธีถามซื่อคราวนี้ท่านพระครูรู้สึกอยากจะร้องไห้นั่งปรับอารมณ์อยู่ประเดี๋ยวหนึ่งท่านเจ้าของกุฏิจึงถามขึ้นว่าอาจารย์สอนวิชาอะไรหนูสอนภาษาอังกฤษค่ะส่วนอาจารย์ยุพาพรกับอาจารย์กุลนธีสอนภาษาไทยอาจารย์กวิศยาตอบแล้วเรียนจบจากที่ไหน หล่อนบอกชื่อมหาวิเทาลาัยแห่งหนึ่งแมมจบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงสะ ด, ด้วยเสียดายที่อุตสาเป็นถึงบัณฑิตแต่แก้ปัญหาไม่ได้แค่ทำครกแตกใบเดียวก็แก้ปัญหาไม่ได้ต้องวิ่งมาหาพระให้ช่วยสตรีทั้งสามมองตากันปริบๆเมื่อถูกเทศต่ตอหน้าธารกำนัน แล้วเป็นอาจารย์มาได้ยังไงน่าสงสารคนที่เป็นลูกศิษย์สตรีผู้หนึ่งวิจาร์ในใจอาจารย์เคยเข้าวัดกันบ้างไหมเคยไปฟังพระเทศหรือเปล่าท่านจะของกุฏิถามอาจารย์สาวคนชื่อกุณฑีตอบว่าไม่เคยค่ะนี่เป็นวัดแรกที่หนูเข้าแล้วก็คงจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย ที่หนูจะเข้าวัดตอบตรงไปตรงมาทำไมละ่ะอาจารย์วัดนี้ไม่ดียังไงก็หนูอุตส่าห์พากันรอคิวตั้งครึ่งวันเสร็จแล้วยังมาถูกหลวงพ่อว่าซะอีกหลวงพ่อไม่ช่วยแล้วยังซ้ำเติมอาจารย์สาวตัดพอ้อจริงด้วยเพื่อนสาวสองคนสนับสนุนอาจารย์อยากให้อาตมา ช่วยหรือเปล่าละ่ะท่านถามอาจารย์กวิทยาอยากค่ะหลวงพ่อช่วยหนูด้วยเถอะค่ะไหนๆหนูก็อุตส่าห์ด้านด้นมาขอความเมตตาคุณแม่บอกว่าหลวงพ่อใจดีมีเมตตาหลวงพ่อต้องช่วยแน่ๆค่ะหล่อนอ้างมารดาแล้วทําไมคุณแม่เขาไม่ช่วยละ่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะบอกแต่ว่าให้มาหาหลวงพ่อ ท่านเจ้าของกุฏิให้สงสัยนักว่าเหตุใดคุณสะอาดจึงไม่ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกทำไมจะต้องส่งมาหาท่านด้วยความอยากรู้จึงใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบและก็ได้ทราบว่าเป็นอุบายของผู้เป็นแม่ที่จะชักจูงบุตรสาวให้เข้าวัดนั่นเองเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นอาตมาจะช่วย อาจารย์สวดมนต์เป็นหรือเปล่าสวดพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณและพาหุงมหากาได้ไหมสวดได้สามอย่างแรกค่ะอย่างหลังสวดไม่ได้แต่คิดว่าคุณแม่คงสวดได้ค่ะคำทำวัดเช้าทมวัดเย็นคุณแม่ก็ท่องได้ค่ะท่องได้แล้วก็แปลได้ด้วยน้ำเสีงที่พูดบ่งบอกว่า ภาคภูมิใจในบานดายิ่งนะักแต่หนูสวดไม่เป็นสักอย่างเดียวค่ะอาจารย์กุณฑีว่าทำไมถึงไม่เป็นล่ะจ๊ะเพราะไม่เคยสวยดค่ะแล้วหนูก็ไม่เห็นความจำเป็นของการสวดมนต์ด้วยคนเราถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องสวดมนต์ไม่จำเป็นต้องเข้าวัดพวกที่เข้าวัดก็คือคนที่มีความทุกข์มีปัญหา พูดดีๆนะคะอาจารย์ยังกับว่าตัวเองไม่เคยมีความทุกข์นั่นแหละสตรีวัยกลางคนพูดขึ้นอย่างรู้สึกมันไส้ซเต็มประดาฉันไม่เคยมีความทุกข์จริงๆนะนะตั้งแต่เกิดมานี่ยังไม่เคยรู้เลยว่าความทุกข์มันเป็นยังไงนี่ฉันพูดจริงๆนะไม่ได้พูดยกตนข่มท่านแต่ประการใดคนไม่รู้จักความทุกข์ว่าสงใจว่า คงจะมีคนเดียวในโลกสตรีนั้นพูดประชดอันนั้นฉันไม่รู้รู้แต่ว่าตัวเองโชคดีพ่อดีแม่ดีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงดีหมดและฉันก็มีความสุขมากเอาเถอะสักวันก็จะรู้ว่าความทุกข์มันเป็นยังไงคนอย่างอาจารย์นี่ต้องจัดอยู่ในประเภทไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาไม่จริงหรอกนะบ้านฉันอยู่ติดกับร้านขายลงศพ ฉันเห็นลงศพทุกวันแต่ไม่ยักการหลังน้ำตาแล้วน่าจะมาหาว่าฉันเป็นคนประเภทนั้นได้ยังไงอาจารย์สาวโตสตรีนั้นโกรธหัวฟัดหัวเวียงหากก็ไม่รู้ที่จะตอบโต้ว่าการะไรจึงได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าอย่าไปเถียงกับเขาเลยเขานั้นจบปริญญาส่วนตัวข้าแค่ปอสีแมมอาจารย์เห็นกุติอัตมา เป็นสนามโตวาทีไปเส้นแล้วท่านจะของกุฏิต่าว่าต่อขานด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มก็ยังดีกว่าเห็นเป็นสนามมวยใช่ไหมคะอาจารย์สาวถามยิ้มยิ้มเช่นกันดูเธอกับพระกับเจ้ายังไม่ยอมลดละแบบนี้เป็นอาจารย์ได้อย่างไงน่าสงสารลูกศิษย์จริงคนจบปสี่พูดกระทบกระเทียบ ถึงว่าสิน้าน่าจะไปเป็นอาจารย์แทนฉันนะพี่ยุพหพรว่าดีไหมให้นักคนนี้ไปเป็นอาจารย์แทนหนูดีไหมคนจบปริญญาตั้งใจยวดคนจบปสี่ขอโทษนะครับคุณสามคนเสร็จธุระหรื อ, อยังถ้าเสร็จแล้วก็เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้าบ้างบุรุษหนึ่งพูดขึ้นอย่างเหลืออดนึกหมันไส้แม่สามสาวนี่ตั้งแต่แรกแล้วท่านพระครูเห็นว่า อาจารย์สาวสามคนนี้จะต้องถูกคนอื่นๆว่าอีกหากพวกหล่อนยังขืนต่อปากต่อคคำกับท่านอยู่จึงบอกพวกหล่อนว่าเสร็จธุระแล้วใช่ไหมแล้วนี่จะกลับกันยังไงหนูขับรถมาค่ะอาจารย์กุลณทีตอบลุงพ่อยังไม่ได้ตอบปัญหาของหนูเลยอาจารย์กวิสยาพอ้อ ก็ให้ไปสวดมนไงสวดมนมากมากแล้วจะเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้เองเอาเถอะให้ลองไปทำดูได้ผลยังไงค่อยมาบอกทีหลังท่านออกอุบายให้อาจารย์สาวมาวัดอีกพี่ไม่มาเป็นเพื่อนอีกแล้วนะคนไม่ชอบเข้าวัดบอกไม่เป็นไรมากับพี่ก็ได้ อาจารยุพาพรเอื้อเฟือคนทั้งสามจึงกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วลุกออกมาท่ามกลางความรู้สึกโล่งอกโล่งใจของบรรดาผู้ที่มีความทุกข์ทั้งหลายลุงพ่อครับผมรู้สึกสงสารนักศึกษาวิทยาละครูแห่งนั้นเหลือเกินที่มีอาจารย์ปัญญานิ่มๆอย่างนี้แค่ทำครกแตกก็มีปัญหาไม่รู้เป็นอาจารย์ได้ยังไง บุรุษผู้มีนิสัยชอบมันไส้ผู้อื่นพูดขึ้นแต่ถึงอย่างไรโยมก็อย่าไปเหมาว่าอาจารย์วิทยาลัยครูเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเพราะคนที่เขาปฏิบัติกรรมฐานเขาก็ไม่เป็นอย่างนี้พูดก็พูดเถอะบางคนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเรียนจบด็อกเตอร์มาจากเมืองนอกเมืองนา ก็ยังมาให้ช่วยแก้ปัญหาตัวเองจบถึงด็อกเตอร์แต่แก้ปัญหาไม่ได้ต้องมาให้คนจบมัธยมสี่แก้ให้คนประเภทนี้เขาเรียกว่าความรู้ท่วมตัวเอาหัวไม่รอดความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดครับหลวงพ่อบุรุษนั้นแยง้งท่านพระครูจึงแก้ว่า มันก็เหมือนกันนั่นแหละโยมการศึกษาสมัยนี้ทำคนให้เป็นก้านไม้ขีดคือหัวโตแต่ตัวรีบก็เลยไปไม่ไวโยมสังเกตไหมเดี๋ยวนี้ในโรงเรียนเขาไม่สอนเด็กสวดมนต์กันแล้วสมัยที่อัตมาเป็นนักเรียนนะครูเขาให้สวดมนต์ทุกวัน เด็กสมัยก่อนจึงสวดมนต์เป็นสมัยนี้ครูเองยังสวดไม่เป็นนับประษาอะไรกับนักเรียนโยมว่าจริงไหมจริงครับทั้งครูทั้งอาจารย์สวดไม่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็เลยดาเนินรอยตามผมว่าถ้าคืนปล่อยไว้ไม่รีบแก้ไขบ้านเมืองก็จะไปไม่รอดนะครับ บุรุษนั้นแสดงความคิดเห็นอาตมาว่าเราเลิกพูดเรื่องนี้กันดีกว่าเพราะยิ่งพูดมันก็ยิ่งเครียดเอาเถอะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดขอให้เราทำหน้าที่ของตัวให้ดีที่สุดก็แล้วกันนยโยมนะครับลุงพ่อประเทศไทยไม่ใช่ของเราคนเดียวจริงไหมครับคงจริงมั้ง เอาเธอโยมอยากจะคิดอย่างนั้นก็ตามใจเรื่องความคิดมันห้ามกันไม่ได้เอาละทีนี้ใครมีอะไรก็ว่าไปสตรีวัยกลางคนคลานเข้ามาหากราบสามครั้งแล้วรายงานว่าหลวงพ่อจ้าลูกสาวฉันมันหนีตามผู้ชายไปพ่อบ้านเขาโกรธมากเขาวางแผนจะฆ่าลูกเขย ฉันห้ามก็ไม่เชื่อจะทำยังไงดีจ๊ะไปบอกเขาเลยว่าถ้าข่าติดคุกแน่ลุงพ่อบอกว่าติดคุกแน่นอนแล้วตายไปก็ต้องตกนรกอีกด้วยจะไปฆ่าเขาทำไมก็มันทำให้เสียชื่อเสียศักดิ์ศรีนะจ๊ะลุงพ่อเขาบอกมันเหยียบจมูกกันแบบนี้ เขายอมไม่ได้ลูกสาวฉันมันก็ไม่ดีเท่าแก่รงสีมาขอมันก็ไม่เอาเขาไปเอาคนจนๆมาทำผัวคนพูดเครียดแขนอ้าวก็เขามาสู่ขอแล้วไม่ให้เขานี่นาะไปดูถูกดูแคลนว่าเขายากจนข้นแค้นเอาเธออย่าไปรังเกียดรังงอนเขาเลยถึงเขาจะจน เขาก็เป็นคนดีโยมเชื่ออาตมาสักครั้งนะแล้วกลับไปบอกพ่อบ้านว่ายังไงยังไงก็อย่าไปคิดป r a g m หัวป r ากเมียเขาบาปกรราเปล่าๆเชื่อประเทศไทยเถอะแต่พ่อบ้านเขาอยากให้มันแต่งกับเท่าแก่รงศรีจันลงพ่อแต่งได้ยังไงก็เขามีลูกมีเมียแล้ว โยมอยากให้ลูกไปเป็นเมียน้อยเขาเรื่องไงเป็นเมียหลวงดีๆอยู่แล้วเรื่องอะไรจะให้เขาไปเป็นเมียน้อยท่านพูดไปตามที่เห็นหนอรายงานแต่เมียเขาหนีตามชู้ไปน่ะจหลวงพ่อหนีไปกับชู้ซึ่งเป็นทนายความท่านเจ้าของกุฏิช่วยพูดอีกว่าแล้วทนายความ ก็มีลูกมีเมียแล้วน่าสมเพศนะยโยมนะผู้หญิงหลงตัวผู้ชายข้างผู้ชายก็หลงเงินของผู้หญิงอาตมาเห็นกฎแห่งกรรมของคนคู่นี้แล้วน่าสงสารจริงๆแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เขาทำของเขาเองเอาละ่ะเรื่องลูกสาวของโยมนั้นเขาได้คู่ดีแล้ว ถ้าไปได้กับเท่าแก่อยู่กันไม่ยืดแล้วก็ไม่ต้องไปดูถูกดูแคลนว่าลูกเขยจนอีกห้าปีเขาจะรวยรวยกว่าเท่าแก่โรงสีซะอีกโยมสบายใจได้กลับไปบอกพ่อบ้านเขาอย่างนี้นะจ้าหลวงพ่อฉันสบายใจขึ้นเป็นกองไม่เสียแรงที่อุตส่าห์มาหาโยมมาจากไหนล่ะ อากโคกสำโรงจะหลวงพ่อรู้จักคนชื่อจุกหรือเปล่าจุกที่ตลาดโคกสำโรงนะ่ะเห็นเขาว่าถูกรางวัลที่หนึ่งท่านถามถึงคนเป็นหลานสบายรู้จักดีจะหลวงพ่ออีนังนี่มันขี้เหนียวอย่าบอกใครขนาดถูกหวยตั้งห้าแสนมันซื้อรองเท้าไปฝากหลวงนะ้ามันคู่เดียวเองอย่างนั้นหรือ ท่านเจ้าของกุฏิรับทราบคงไม่จำเป็นต้องบอกหรอกว่าลุงน้าของอินังนี่ก็คือตัวท่านนั่นเองแขกคนสุดท้ายกลับไปเมื่อเวลาสองทุ่งท่านพระครูเรียกนายสมชายมาสั่งการว่าพรุ่งนี้ตีสี่เธอไปตลาดกับแม่ครัวเขาไปซื้อของมาเตรียมทําบุญเลี้ยงพระคุณหญิงเขาจะมาเลี้ยงเพลง แล้วก็ช่วยซื้อผ้าไตรมาให้ชั้นหนึ่งสำรับด้วยเลือกชนิดที่เนื้อดีที่สุดนะไปสิไปบอกแม่ครัวเขาไว้ก่อนพรุ่งนี้จะได้ไม่ยุ่งนายสมชายลุกออกไปแล้วท่านเจ้าของกุฏิจึงพูดกับอาจารย์ชิดว่าเจ้ากรรมนายเวนเขาตามมาทวงอีกรายแล้วคราวนี้ หลวงพ่อจะเป็นอะไรอีกครับคนสูงอายุถามอย่างเป็นห่วงไม่เป็นอะไรแล้วแต่ต้องเสียเงินพรุ่งนี้คนขายก๋วยเตี๋ยวจะเอาลูกชายมาฝากอัตมาจะให้เขาบวชเนนแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานสักเดือนสองเดือนเขาก็จะรู้ดีรู้ชั่วแล้วก็จะกลับไปเรียนหนังสือตามเดิม อาตมาก็ได้ใช้นี่คนขายก๋วยเตี๋ยวโยมอยากรู้ไหมว่านี่อะไรนี่อะไรครับบุรุษวัยหกสิบถามนี่ค่าก๋วยเตี๋ยวอาตมาโกงค่าก๋วยเตี๋ยวแกทุกวันวิธีโกงก็คือย่องไปขโมยเงินทางด้านหลังแกแล้วเอามาซื้อทางด้านหน้าแกยืนผัดก๋วยเตี๋ยวเยิง พอใครซื้อแกก็เอาเงินเหวี่ยงลงไปในตะกระ้าซึ่งวางอยู่บนโต๊ะด้านหลังแกอัตมา ก, ก็กินก๋วยเตี๋ยวฟรีทุกวันแถมบางวันยังหยิบเกินมาเป็นค่าน้ำแข็งใสอีกด้วยคนเล่าหัวเราะเคยถูกจับได้บ้างไหมครับคนฟังถามไม่เคยตอบอย่างภาคภูมิใจ ในความเก่งกาจของตนมือชั้นนี้แล้วให้ถูกจับได้ก็เสียชื่อหมดอาตมาเป็นคนดวงดีนะดวงทำบาปขึ้นเรื่องถูกจับได้นั้นไม่ต้องพูดถึง